อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ293 1. ิภิกษุนั่งในที่ที่มีบุรุษรู้เดียงสาคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนสองภิกษุยืนไม่ได้นั่ง 3. ภิกษุไม่ได้มุ่งที่รับ 4. ี่ภิกษุนั่งคิดเรื่องอื่น 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติระหนิสัตชะสิกขาบทที่หจบ